嗯。<Thank> <Thank you. S 3> การักษา คำว่าขอให้ก็เหมือนกันมันก็ไม่ใช่เหมือนกับว่าไปขอหวยกันก็ปเดีวเมื่อวานนี้ก็ไปก็รีว่าไปงานขอยญาตงที่ป่าตะวันออกเมื่อวานนี้ก็ต้รู้เมื่อวานเป็นมาออกหวยแน่นี่แหวันออก หือจะเป็นบื่อ่อรู้ว่าคือคือสิ่งที่เห็นนะคก็คือเหมือนกับว่าญาโยมที่มาญาตโยมที่มาแับมาทำบุญนะก็ถามว่าวันนี้เราฝันเห็นอะไรไหมวอนนี้ก็ฝันว่าอย่างกันอย่างนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมครับก็คือตรหนักก็ เราก็เหมือนกับก็เคยนะ่เคยเหมือนกับว่าไปทาบุญลก็ขอให้ได้นั่งขอให้ได้นีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหะแต่แต่การขอของเรามันสาธารณมันไม่ดีนานนะมันจะเริ่มันก็มันก็ยากที่จะสอดริบผลนะใช่ไมฮการวากพวกเรามี่ิากษพวกเรามัเป็นผู้ที่ฝายใจในธรรมนผู้ที่ฝ่ายใจในธรรมในความจิตการกระทาของเรามันก็เหมือนกับเราก็จก เพียงที่จะปฏิบัติธรรมกันความคิดแล้วก็พยายามที่จะละวันความคิดที่เป็นพุกุศลท่างหลายแหลนั้นคือตรงเนี้ยก็เห็นว่าพวกเราตั้งใจปฏิบัติกันนะครับก็ขอให้พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันว่าขอให้ความตั้งใจในการต่อที่ทมของเราอ่ะก็แบบว่าจบกันไปเพื่อการทําที่สุดพาทธเจ้าก็ช่วยของเราให้ว่าความตั้งใจของเราว่าไอ้ตั้งใจอยู่ดีเนาะแล้วก็ถามว่าเราตั้งใจมากอย่างนี้เนี้ยใช่ไหมครับ ก็เรียกว่าจุดหมายปลาทางของเราก็จะเป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นเป็นทางสอนของอาจารย์หรือว่าผู้เจ้่ยวชาญเงเนี่ยก็สอนให้พวกเราชะเป็นนะแบบว่าทํายังไงถึงจะทำให้พวกเราเนี่ยค่อยๆโต้โต้ไปจนกระทั่งไม่มีพวกไหนที่สุดนั้นคือตรงนี้ก็เป็นคําว่าขอให้ก็คือจะเป็นอะไรให้เป็นว่าให้ทําความตั้งใจอันนี้ให้มั่น คือตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าความตั้งใจงตรงนี้มันไม่ไดเป็นสิ่งที่เหมือนกับหลวงพ่อมุเชียน์เนาะหรือว่าที่บัป่าศุกร์โตเนี่ยก็จะมีคําพูดคำนนหนึ่งที่ถืออว่าอยู่หลายคนก็เหมือนอยู่คนเดียอยู่คนเดียวก็เหมือนอยู่หลายคนนะครามเล่เหมือนกันพูดดี ว, น, ด ว, น, ดว น, ดนิยวนิยงเี้ยพี่คนแต่ว่าในความเป็นจริงคือตามมา อยู่คนเดียวก็เหมือนดอูหลายคนเพราะว่าถ้าเกิดว่าพวกเรามีตรารนาอันดีงามเหมือนกันทุกคนเนี่ย จ, นะจะาาเป็นการเวลาเราเจะสั่งเขากันไปเองแต่ว่าในขณะที่ถ้าเกิดว่าอยู่คนเดียวก็เหมือนดูหลายคนเพราะว่าหยิบ้องตามแล้วไปจะรู้ก็อยากได้อนั้นก็ตาแล้วไปจะนู้ก็อยากได้อันนี้นนนด้วยความอยากที่มันหรือว่าเฉยใช้ใคำว่าบัญชีตัวเราเองออกเป็นคนละนิดคนลต่างเี่ยตัวนั้นมันจะทําให้เป็นสิ่งที่เรียกว่า คืออยู่คนเดียวก็เป็นอยู่หลายคนพองนตะันะ้งเดี๋ยวก็ต้องการนั้นนะเดี๋ยวก็ต้องการอย่างนี้เดี๋ยวก็อยู่ไม่เป็นสรูปไปนะั่นลุกมานี่นะฮไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นสูขกันตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับาคําพูดของตุลาจารย์เขาช่วยที่พวกเราได้มองเห็นนะฮะได้มองเห็นภาพนะได้มองเห็นการเคลื่อนตัวไปของไม่เรียกว่าของชีวิตเรา ซึ่งการเติบโตแบบของชีวิตเราตรงนี้นนะฮะก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเดินไปบนเส้นทางที่จะเป็นจุดหมายปลายทางก็คือความมิทุกอันนี้ก็เป็นสำคัญอย่างเรื่องการเดินเนี่ยก็ต้องปไปงานธรรมญาติปาป่าตะลงออกนะธรรญาติปาปาตะังออกก็จะเป็นเรียกว่าเดินมาลอยต่อห้าจังหัดจากชนบุรีจากเชียงสา สับแก้วระยองแล้วก็ปาจีบุรีนะก็ตรงช่วงนั้นก็จะมีป่ายาเราฮะที่เป็นชุดป่าที่เคยเป็นชุดป่าต่อกับเขาใหญ่ก็เป็นป่าที่คนไม่ค่อยรู้จักกันนะแล้วก็พอพูดถึงว่าโอ้ปาลาต่อห้าสมบัตมีด้วยหรอเนี้ยก็ตรนะงนันก็เป็นสิ่งที่ผู้ผู้ที่ตั้งใจเดินก็เป็นผู้ที่เหมือนกับ ตั้งใจที่จะอยากจะทํำทำยาตาเหมอือนกับที่ทําลวงพ่อกำเขียนก็จะเป็นสารเนี่ยได้ทํำทำยาต า, าที่ที่วัดวัดป่าสุปะโณวัดป่ามหาวันของพวกเราที่พวกเรารู้จักกันอยู่ตรงนี้ตอนนั้นก็ประมองเห็นว่าเออเราก็ทํำมาทำยาตานี้ก็น่าจะดีนะอันนี้ก็เลยตามตามโจทย์ที่มาถานด้วยนะทำตามเดียวกันก็ในการว่าตรงนั้นก็น่าจะดี ผู้ใหญูู่้เฉลิเสลิมนะพวอเราาก็ากจะเคยได้ดีก็ทำงานน้าทีพื่อเหมืกับเสนอแนวคิดนะของการการเรว่าการเป็นอยู่เนาะแนวแนคิดของการเป็นอยู่ที่อิงหลักธรรมอิงหลักธรรมเพื่อให้ชีวิตได้อยู่บนความพอเพียงตระานทนั้นเราเป็นสิ่งที่มาอประมาณสัก 20ปี21ป ch ีที่แล้วก็เคยมีการชักชวนครูมาจารมันทำญาติมาเป็นครั้งหนึ่งแต่ว่าเท่าที่จาไม่ผิดเนี่ยครั้งนั้นก็จะมีาพระก็ไม่มากแต่ว่าก็คือเป็นพระที่เหมือนจะเป็นครูมาจารหลายวิชาอยู่นะกับเคยเคยทํำไปครั้งหนึ่งลูกชายผู้ไหญ่พ่บุญก็นม่ถึงนานแลคุณพ่อเคยทํอย่านี้ก็อยากทำ อยากถามเรนาหนักตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำยาการก็เกิดขึ้นก็เป็ร่วมแข่งก้แต่วันแรกนะนี่มาพอเป็นร่วมมันก็มีการอ่าที่พูดถึงความความตั้งใจของคนมาเดินธรรมยาการก็เปรากฏว่าในประมาณซึ่งสาสิบคนเนี่ยก็มีความตั้งใจต่างๆนานากัน ความตั้งใจในการทำงานกันก็เหมือนกับทำามตู้จักก็ได้ทายังไงที่ทําให้ความตั้งใจพวกนี้นะที่เป็นความตั้งใจของคนคนี้เหมือนกับประมรวมเนี่ยเข้ามาเป็นเป็นสิ่งที่เหมือนกับอยากจะสนองความตั้งใจนั้นจริงตรงนี้ก็ได้มองเห็นภาพนี้ก็ได้ถิ่มเหมือนกับเรามาทางโลกนะเรามาคาดการณ์ว่ามา เราดความคิดกันแล้วก็พยายามที่จะตรนนะหน้าความคิดขึ้นมาเป็นย่างเดือนบางทีตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับก็เป็นการหลายหลายวงนะงก็พบว่าทำไม่ได้นะาะว่าความต้องการของแต่ละคนก็ต่างกันยังศึกษาว่าอย่างอย่างเฉพาะในทางย่าจาร์ต่างกรออกเนี่ย เมื Stop, ay, ่อ20ปีท uh, I mean, the ี่แล้วตอนนี้ป่ามันออกต่างกันไปมากมากเมื่อ20ป็ีที่ได้วไม่เคยเข้าไปหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เพิ่งอั้งใหม่อิ่มน้ำมีอยู่12หลังคาเรือนทีนว้นี้เปลี่ยนไปจนจบไม่ได้เปลี่ยนไปจนจำไม่ได้ทีนีกว่าองค์แบบว่าเรีว่าเป็นหมู่บ้านต่อเนื่องไปเป็นเป็นสองสามหมู่บ้าน รวมๆแล้วเป็นพันขวานคันเลยแล้วก็ป่าที่เราเคยเห็ น, นคือเมื่อก่อนยังจำได้ว่าอยู่ตรงกลางหมู่บ้านมองไปรอบๆเนี่ยเราจะเห็นภูเขาล้อมนะเรียว่าเขาว ง, งคือล้อมเป็นวงเลยถึงวันนี้มองไปไปติดป่ายาง น, นะครับพืชยา ง, งพยางพาไม่เห็นอะไรเลยนะเห็นแต่ยังพารายางเยอะรืองๆเลยแล้ว ก, นะนะวก็เนี่ยก็เป็นเป็นสิ่งที่หอม ควาสิ no ่งที่เปลี่ยนไปตรงนี้เนี่ยก็มีคนมาคนที่เหมือนกับเดิมก็อยากช่วยแก้ปัญหาทำยังไงถึงจะทำให้แบบว่าแบบชาวบ้านไม่เป็นหี่เป็นสินอะไรต่างๆนานาเหล่นี้่ก็มันก็เป็นความต้องการอันหนึ่งแต่ว่าความต้องการในายๆอย่างพอมันไม่ได้เริมต้นขึ้นบนฐานของธรรมะเนี่ยมันเริ่ต้นขึ้นบนฐานของอ่าเขาเรียกว่าความอยากเฉพาะตัวเนี ขอเวลาที่จะเหมกับวันหนึ่งผ่านไปความปรารน า, นานของตัวเองก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขก็มีการป่วกทามก็ไม่ได้ทำไมไม่คุยกันเรื่องนี้เรื่องนั้นอะไรทำนองนี้นะเดี๋ยตรงเนี้ก็เป็นเรื่องที่มันมันเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของทางโลกโลกนะย ห, ห็นไหมในที่พยานตรงทางธรรมของเราเ น, านนะีคําว่าธรรมชาติาน่ะก็ชัดเจนเนาะ มีธรรมะนำการเดินเนาะเหมือนกั่พวกเราเดินจงกรมใช่ไหมฮะแล้วก็เดินจงกรมกันเนี่ยใช่ไหมฮะนำนการเดินตรงไหนการเดินก็มันก็กล้าเหมือนกันนะใช่ไหฮะแต่การเดินจกรมก็คือการเอาธรรมะเนี่ยนำการเดินแล้วก็ที่สาคัญที่สุดก็คือถ้าเกิดว่าเราอยู่กับพิธีบทยืนเดินนั่งนอนเนาะนักวิจารก็บอกว่าให้เราเนี่ยใช่ฮะแบบว่าให้เรานะฮบมีสติกับพิธีบทย่อมนีย ตรงนั้น ห, หมายความว่าจริงๆธรรมะก็ะนาชีวิตเราทั้งวันไม่ว่าเราจะดึงเดินหน้ามองต่ออานเมื่อวันั้นที่ือนถ้ถถเกิดว่าชีวิตเราเคลื่อนโตัวไปเลยมีการที่ธรรมะนำเนี่ยตรงนั้ น, น, น, นชีวิตเราก็จะไม่ก็เรียกว่าไม่ถูกความอยากเนาะดึงไปซ้ายดึงไปขวาตรงนี้นก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าทํำยังไงเราถึงจะ ก็เรยว่ามีทางนาชีวิตถ้ายังไงจะมีทางนาชีวิตถ้าเรามีทางนำชีวิตเนี่ยเราเราได้เลยว่าชีวิตเราเนี่ยไม่ไม่ประสบเขาเรียกว่าปัญหาหนักอกหนักใจต้องเรียกอย่างนั้นเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความอยากนําชีวิตเนี่ยพอไม่ได้ตามอยากปุ๊บก็เกิอดเลือดร้อนใจขึ้นมาทันทีนั่นก็คือตรงนี้ยก็เป็นสิ่งที่ก็ทําย่าตา ก็นะเราก็เหมือนกับว่าตั้งใจกันนะก็ต้องทําความตั้งใจนะเมื่อเราใช้คำว่นะาธรรมญาตานี่ธรรมญาตานก็คือสิ่งหนึ่งที่จะอาศัยเนาะกิจกรรมตรงนั้นใช่นะไหมครับอาศัยวนะ่ทาทำยังไงจะทำให้มีทํามนำครบวนมีทํานำครบวนซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับมีความหลากหลายของผู้คนเนาะบางทีผู้คนอาจจะเหมือนกับตั้งใจมาเดิน ตั้งใจมาดูปังตั้งใจมาเป็นการตระนากรแต่ว่าจริงๆต้องถามว่าความตั้งใจของคนตระหนเหล่านั้นก็เป็นความตั้งใจดีๆทั้งหมดนันเป็นความตั้งใจดีๆเหมือนกับว่าอยากอยากทําอะไรดีๆให้กับชีวิตแต่ว่าในความเจริงแล้วเนี่ยในความตั้งใจดีๆถ้ามีความอยากนาหน้ามันก็ชีวิตเราก็เหมือนแบบในความตั้งใจดีๆก็จะไม่ได้รับเรียกว่าการสนองเนาะในทางที่เรียกว่า ในทางที่เป็นศาถนาอดีตมาเพราะว่าความอยากที่มานาเนี่ยมันจะทาให้ความตั้งใจดีๆของเราเนี่ยถูกความอยากนําไปนะตรงเนี้ยเป็นตรงที่สําคัญว่าในชีวิตของพวกเร า, า, าเนี่ ย, นะยถ้าเกิดว่าพวกเราได้อาศัยธรรมนาหน้าเนาะได้อาศัยธรรมนาหน้ามีธรรมนะมีธรรมไว้ก่อนมีธรรมนาหน้าไว้ก่อนคืออย่าลืมกัว่าเรามีธรรมนาไว้ก่อน ยธรรมะก็จะบอกว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามนะเรากลับมาเริ่มต้นที่ตัวเรากลับมาเริ่มต้นที่ตัวเราเราเองเนียงานชีวิตของเราเราจะเริ่มต้นที่การมองเห็นการได้ยินการได้กื่นการริ้มรสต่างๆมันเป็นเรื่องที่จิตเราเนี่ยจะพู่ออกไปนอกตัวหมดเลยถ้าหากว่าพวกเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยพวกเราก็จะรู้ว่า ตานจะพบลูกหูได้ยินเสียงนะีก็ให้เรากลับมาถูกครับกลับมาเริ่มต้นที่ตัวเราก็คือกลับมาดูว่ า, ใ จ, านะนนใจเราตอนนี้เป็นยังไงใจเราตอนนี้เนปะ็นยังไงซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์จะบอกเอาไว้ว่าจะเป็นปัจจุบันขณะก็ดีเนาะจะเป็นก็ เ, เรียกว่าเดี๋ยวนี้ก็ดีจะเป็นอะไรไหนก็ดีแต่ว่า น, นั่นก็คือเหมือนกับว่าให้หราเนี่ยได้ฝึกนะกลับมากลับมากลับมา ดูดูแลกายดูแลใจเราตรงนี้เป็นสิ่งที่เหมือนกับนี่คือถ้าเกิดเราเข้ามาฝึกจนเคยชินเป็นนิสัยเนียเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะกลับมาดูเพราะฉะนั้นคือการที่เรากลับมาเริ่มต้นที่ตัวเราเนี่ยตรงนี้ไม่จะเป็นสิ่งที่สําคัญอามิณนะ เ, เป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักธรรมนั้นที่จะทําให้ชีวิตเราเนี่ยก็หมดความยุ่งยากไปเยอะมีอาจารย์ท่านหนึ่ง ท่านอก็เหมือนกับในการว่าืก็ฝ่ายในธรรมนะฝ่ายในธรรมก็บอกว่าชีวิตที่ฝ่ายในธรรมเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าความที่ท่านเองก็อาจจะเปลี่ยนสูงนะใช่ไหมฮะเป็นวอรเตอร์เป็นนันตางๆเวลาที่เกี่ยวข้องกับผู้คนรอบข้างเนี่ยเมื่อก่อนก็จะเหมือับพอเกี่ยวข้องไปแนละ้วก็จะ เหมือนกับมีสายตานะครับของผุ้ที่ของผู้ที่รู้ดีกว่านะไปสํารวจตรวจสอบคนรอบั้างพอเปลี่ยนัานปุ๊บเนี่ยนะฮะก็ทําให้การสอนก็มีการเกี่ยวข้องกับคนอื่นก็มีอะไรต่างๆนะเหล่านี้ก็มีผู้ที่ดีกว่ากับผู้ที่รู้น้อยกว่าผู้ที่ดีกว่ากับผู้ที่รู้น้อยกว่าอย่างนี้อยู่นั่นคือสิ่งบางนึ่งเนี่ยก็บอกว่าเออเดี๋ยวนี้ชีวิตเปลี่ยนไปนะเพราะว่า พอเวลาที่มีอะไรเนี่ยก็กลับมาว่าเอแบบว่าเราคิดอะไรหรือเป่าเอ๊ะเราควรจะต้องทำํำยังไงดีนะฮในที่หม่ถึงกับเรื่องราวที่เข้าไปเกี่ยวข้ อ, ของกับผู้คนรอบๆซึ้นตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่ก็ได้ใช้นะอาศัยนะการกลับมาเริ่มต้นที่ตัวเราใหม่ความคิดต่างๆหรือสิ่งที่ไม่พอใจต่างๆที่เกิดขึ้นตรงนั้นก็เหมือ น, นกับทำยังไงเราทําอะไรก็เป็นคิดเราเกี่ยวข้ อ, องกั็คิดมาในเรื่องแต่ ตรงนี้นะก็อาจารย์ท่านนั้นท่านก็บอกว่าชีวิตท่านก็หมดความลญ้ากไปเยอะนะความสมบัติสมบัติของทุกคนก็ดีขึ้นนะตรงนี้้าเป็นสิ่งที่ในธรรมญาติเรเองในสองสามวัน์ที่ได้ไปร่วมก็เหมือนกับได้พยายามที่จะให้ให้พวกเขาเนี่ยได้ลองกลับมาเริ่มต้นเป็นที่ตัวเองด้วยการที่เหมือนกับแทนที่ เราจะไปคอยดูว่าปัญหาคน อ, อื่นก็เป็ น, น, นยังไงใช่ไหมฮะก็ตั้งโจทย์ใหม่บอกว่าอืมวันนี้มีอะไรดีๆที่เห็นในกระบวนการทางวิทยาการนะไม่ว่าจะเห็นคนในกระบวนก็ดีหรือเห็นสิ่ ง, งต่างๆาที่ผ่านไปก็ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีๆเนี่ยมาเล่าสู่กันฟัก็ปรากฏว่าในวันแรกก็มีเรียกว่า คนนำเสนออยู่สองคนในสามสิบคนนะฮะก็คนอื่นยังคิดไม่ออกนะฮะก็เหมือนกับมีผู้นำเสนออยู่สองคนผ่านไปสองสามวันนะฮะก็ปรากฏว่าก็มีผู้นำเสนอมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตรงนี้ก็มื่อวานนี้หน้าก่อนที่จะจากมาเมื่อวานนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายที่อยู่นะฮ้าปรากฏว่ามีคุณแม่คนหนึ่งที่บอกว่า โอวันนี à, mà, i, ph ản, ph ้แบบว่าทำาห้กน้วันนี้มีเรื่องดีๆหลายเรื่อง่ามาแบบหาลูกมหมายว่นเพิ่งได้เจอลูกเรื่องดีของขอคุณแม่คุณแม่บอกว่าเนี่ยพอเจอลูกนะแบบว่าเห็เลยล้วก็ลูกนะเขารักน้อเพราะลูกเขาเตัวสั่นเลยเวลาที่ลูกเข้ามากอดแม่ลูกก็จะอายุประมาณสักสามขวบไปสี่ขวบอะไรเงี้ยนะ ก็ตอนนี้มันเป็นสิ่งที่เหมือนจะเองนี่เขาเองเขามองเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งดีที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี่ก็เป็นวันที่เดินเดินกันเยอะอยู่นะฮะบอกว่าหายไปเลยเพราะว่าเมื่อวานเดินสึ่งยี่สิบกิโลแล้วก็เดินในป่าที่เส้นทางก็ไม่ค่อยใช่เป็นเส้นทางที่เดินสะดวกนักอยู่ก็ใช้เวลากันแบบเดินจริงๆรนี่ใช้เวลาเยอะ เกสิบชั่วโมงก <c oughs> ็งนานอยู่นะแล <c oughs> ้วในตื่นอตอนนี้ก็เขาก็บอกเหมือนตัวเนี้ยมีก็คื อ, อสิ่งที่เหมือนกับขวนทําในหน้นตาตาเนาะแบบว่าอย่างที่ทําให้หน้าตาลุกท้ารับประทานที่ทำกันอยู่เนี่ยเราก็พบว่าพ อ, พอาพอเรามองเลื่อนมุมที่แบบว่ามีเรื่องดีๆภาพตัวเอะไรใช่ไหมครับแลว้วก แต่ว่าอารลูกเราสูงหรือแต่แล้วจริงๆแล้วก็เวทีการตั้งโจทย์อะไนี้ก็ไม่ไม่ค่อยดีนักนะเพราะมันเหมือนกับว่าเป็นการชี้นำอยแต่ว่าเหมือนกับถ้าเกิดว่าอย่างในภายาลังที่รูปน้ำประทานก็มีเรื่องดีๆนําเสนอกัอยู่ตลอดเวนาอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็มีคนคนหนึ่งก็บอกว่าอันนี้มัสุดท้ายเนี่ยมันสุดท้ายก็บอกว่า เขาพูดถ <c ười> ึงเรื่องความสําคัญของทแล้วคือเหมือนกับเราก็มีเท้าติดตัวมีมือติดตัวอยู่เป็นปกตินะฮะแต่เหมือนกับว่าพอเวลาเดินทำยักตาเจ็ดแปดวันเนี่ยมันเหมือนกับว่าใช้ท้าหนักมากๆเลยลืมเขาไม่ได้เลยแต่ในขณะที่พวกเราทุกวันนี้อาจจะลืมเท้าไปก็ได้นะอย่างเงี้ยซึ่งในในสายตาเขาบองเห็นว่าอันเนี้ยอย่างนี้นะฮะมันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งดีๆที่ชีวิตเขาเนี่ย ได้ระลึกถึงแล้วก็เป็นสิ่งดีๆที่คนอื่นเนี่ยก็ได้ยินได้ฟังแล้วก็รู้สึกรู้สึกดีเพราะว่ า, วานี่ก็คือสิ่งสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาจากธรรมยาาธรรมยากาก็ไม่ได้กําหนดอะไรไว้ก่อนนะครับว่าอยากจะเห็นอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าเราต้พบว่าในเจ็ดปาลของธรรมยากาก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นตามเวลาแล้ ว, ลวถ้าตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับสิ่งดีๆที่เล่าสู่กันฟังในแต่ละบางแต่ละบาง เราก็จะพบ ว, ว่าคนข้นงองก็คื้อลมที่จะมีส่วนร่วมนะอ่านกับวันแรกที่พูดถึงเรื่องของปัญหาเพราะฉะนั้นมีปัญหาอะไรเนื่องจากว่าคนก็เป็นลูกป่นลูกปั่นมากๆคิดว่าปั่นหลายล้านล า, ล า, ลาที่ที่ถูกที่ถูกสวนยา บ, บกุกรุกเข้าไปแล้วก็ส่วนยามพวกนี้ก็จะอายประมาณสักสิบสิบกว่าปีลงมาป่าถูก เรียว่าถูกปลุกเบอร์เข้าไปเนี่ยเยอะเยอะมากๆเลยเมื่อผ่านูกปลุกเบอร์เข้าไคนที่เคยอยู่บริเวณนั้นไม่ใช่คนนะสัตว์ที่เคยอยู่บริเวณนั้นเนี่ยใช่ไหมครับเขาก็เหมือนกับยังคงอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นนะแต่เขาก็ถูกก็เรยกว่าตาญหาว่ามาบุกลุกมาบุกลุก่ายดานว่าก็บุกลุกเอ่อก็เรียกอลไรนั้นสวนมันสวนอะไรต่างนานาแบบนี้ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยซึ่งนั้นก็คือเนี่ยตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ เราเองก็มีความรู้สึกวชาวบ้านก็เดือดร้อนนะว่าปลูกมันแล้วก็ถูกช้างถอยนะฮะปลูกยางก็ถูกช้างถอยอย่างเงี้ยก็เขาไม่เดือดร้อนกันแล้วก็มองสังเกตดูคนที่ร่วมกันเนี่ยอย่างอย่างจะโดนขณะเราอย่างนี้นะก็บางคนก็สนใจมั่งไมสนใจมั่งเลยแต่ละนานแบบนี้ตามความสนใจันพอเวลาที่พูดถึงเรื่องสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะป้องบ้า บางคนก็ตั้งตั้งใจฟังนะฮแล้วก็อยากจะรอฟังแลก็ืินเขาพูดอะไกันอะไรต่างๆทีเนี้ยก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เหนื่อยกันมานะฮะก็ตอนแรกเนี้ยตั้งใจว่าเห็นได้ยินได้ยินได้ฟังแล้วตั้งใจว่าวันเนี้ยจะไม่ถ่างันละวนเนี้ยจะขอนอนเร็วละแต่ปรากฏว่าเมื่อวานเนี้ยเวทีของการพูดถึงเรื่องดีๆเนี้ยก็ับกลาว่าเป็นเวทีที่ใช้เวลาแบบ นานมากเลยแล้วก uh, e ็สังเกตดูคนก็ไม่ง่วงเหานะห่ายถึงว่าสนใจสนใจเวทีมันตลอดจนกาะทัางบอกว่านี่มันสามทุ่กว่าแล้วล้วควจะได้พเขาพุกนี้ก็เดินไปอีกเหมือนกันอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่เล่าสู่ันต่างนะว่าคือเรื่องที่พอเราเรียกว่าใช้ธัรมะนาหน้าจะไหมสิ่งดีดีเนี่ยก็จะเกิดกับเกิดกับชีวิตเรา แล้วก็ปัญหามันก็จะถูกเรื่องนั้สิ่งดีๆเข้ามาทดแทนปัญหาก็จะน้อยลงจึงนี้ก็หมายถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็จะทําให้ความทุกข์เนี่ยน้อยลงไปนั่นคือตรงนี้ว่านี่คือสิ่งที่เหมือนกับว่าถ้าชีวิตเราเอาธรรมะเนี่ยนำหน้าเข้าไว้พื้นที่ทํางธรรมก็จะมากขึ้นนะพื้นที่เป็นอกุศลก็จะน้อยลงนั่นก็คือตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นก็เรียกว่า เป็นผลนอกของการปฏิบัติธรรมและก็การปฏิบัติธรรมของทางเราเนี่ยก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมที่ก้ายกว่าก็ทั้งยกเรียกว่าสร้างของหรได้ไม่้อะเนี่ยของจะใช้กำวแสดงความรับถือเพื่อน้อยไปนะแต่ว่ายังไงก็ตามจากก็รู้สึกว่าหลวงพ่อเทียนก็ได้ช่วยพวกเราเด่นนะ ในเชงที่บอกว่าอย่างการปฏิบัติธรรมก็ไม่ต้องหลับตาใช่ไหมเชื่อในารรมชีวิตเป็นปัจจิตหรือว่าหรือว่าเตีก็อาศัยความเคลื่อนไหวเนี่ยของร่างกายเนี่ยเป็นก็เรียกว่าเป็นเครื่องมือในการอ่าเรียกว่าเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการเรียนวิชากรรมฐานก็เรียกว่า เพราะว่าเนื่องจากว่าวิชากัรรมฐานทีน่หลวงพ่อเจีไว้ว่าวิชานี้มีกายมีจาจเป็นตานามีสติเป็นนักศึกษาเนื่อนด้วคือตรง น, นี้ก็หลวงพ่อเขียนก็พูดตามที่หลวงพ่อเตียนเคยสอนแต่ว่าสิ่งที่หลวงพ่อเตสอนนี้ก็คือสอนให้รู้สึกตัวรู้สึกกับการเคลื่อนไหวที่เราสร้างขึ้นก็ดีรู้สึกกับการเคลื่อนไหวที่เหมือนกับว่าเป็นอยู่แล้วตั้งแต่ตื่นจนหนักก็ดี มไม่เต็มก็ยังย้ายอยู่นะว่าการปฏิบัติทําแบบนี้เนี่ยจะเป็นตํารวจก็ได้จนเป็นทหารก็ได้จะเป็นคนเปิดประตูปิดประตูก็ทําได้เหมือนกันทั้งหมดเพราะด้วยแต่ว่าไม่ว่าจะเต็มใครก็ตามเนี่ยชีวิตตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยก็อาศัยก็เรียกว่าความเคลื่อนไหวตรงนี้ทํากิจกรรมอื่นๆแต่กิจกรรมอื่นๆตรงนั้นนะเราเรียว่าเติมความรู้สึกเข้าไปนะเติมความรู้สึกตัวเข้าไป กิจกรรมอื่นก็จะผนวกเข้ากับเาเรียกว่าการปฏิบัติธรรมทันทีเหมือนที่เป็นคาพูดที่เคยยืยินมาแต่ในหลวงพ่อพุท่านก็จะบอกบอกว่าการทํางานคือการปฏิบัติธรรมสมัยนั้นแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจนะฮะว่าเป็นอย่างไงแต่ว่าพอตรงนี้เนี่ยเราก็เติมความรู้สึกตัวเขว้าไปนะกับการเคลื่นอนไหวต่างๆเติมความรู้สึกตัวเข้าไปกับการเคลื่อนไหวต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่า การทํางานและการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะถูกผนวกเป็นส่วนเดียวกันการทํางานที่จะเป็นเรื่องของทางกายการปฏิบัติธรรมก็จะเป็นเรื่องของทางใจที่ควบคู่กันมาเราเลยจะไม่ทํางานที่งทำงานกว้างแล้วก็ทอดทิ้งใจเราเพราะว่านันคือในขณะที่กายก็ทํำฉะนั้นใจก็ใช่ไห ม, ก, ไหมก็เป็นส่วนที่ถูกฝึกไปด้วยมีสติคอยดึงกายคอยดึงใจต่างๆนานานะตรงเนี้นก็จะเป็นสิ่งที่ เหมือนกับว่าเราก็จะได้เห็นเนาะเขาเรียกสิ่งท well sí ี่เขาเรียกว่าจิตใจที่เป็นปกติกับจิตใจที่เหมือนกับว่าทักไปกับความคิดท่าไปกับความคิดแล้วจิตใจก็จะมีผลเป็นความดีใจเป็นความเสีใจต่างๆนาเหล่านี้เน่ยสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่เป็นเรียกว่าพอเราปฏิบัติธรรมเริ่ปฏิบัติธรรมพวกเราก็จะค่อยๆเริ่มเห็นเรื่องพวกนี้นะว่าเราได้เห็นว่าเอ้จิตใจนเรา ที่เป็นปกติก็มีแล้วในขณะที่เรารู้สึกตัวจิตใจเป็นปกติเป็นแบบนี้เดี๋ยวเธอไปคิดเธอไปคิดแล้วนะใจเราก็จะรู้สึกเศร้าบ้างเธอไปคิดแล้วใจเราก็รู้สึกเขาเรียกว่ามีความสุขบ้างของจิตใจเราแต่ว่ามันมีอารมณ์ความรู้สึกที่ต่างกันแบบนี้แต่ตอนนั้นเรากลับมารู้สึกตัวปุ๊บเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นเศร้าบ้างดีใจบ้างในตานาแบบนี้มันก็หายไป ตัวตรงนี้นะมันเป็นสิ่งที่ตรงกับที่พระเจ้าบอกนะว่าอันนี้เนี่ยจะไม่เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ามันเป็นความไม่มีตัวตนนะฉะนั้นของสิ่งที่เราเรไดว่าเป็นจิตใจที่กำลังจิตใจของเราแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยอันนี้เราก็ไม่ได้กำหนดเลยนะในขณะที่เรากำลังตั้งใจที่จะรู้สึกไปกับการเคลื่อนไหม่จิตใจเขาก็แบบนั้นเขาก็กลับไปสู่เหมือนกับความเคยชินเดิมๆกลับไปอยู่กับความคิด แล้วก็ตอกไปอยู่ในพุกในสูตรต่างๆนานาเหล่านี้ตรงเนี้เราก็ห้ามเขาไม่ได้นะแต่ละสิ่งหนึ่งที่เราทําได้ก็คือในขณะที่เรารู้นะในขณะที่สติมองเห็นว่าเข้าทัดไปกับความคิดหลงในความคิดเนี่ยตรงนั้นเขาก็จะกลับมานั่นคือตรงนี้คือการปฏิบัติทางของเราเนี่ยเราก็จะได้ค่อยๆเห็นความจริงของชีวิตเราเห็นการเห็นใจของเราการที่เราจะปันแบบสนใจปัญหาของคุณนั้นแค่ปัญหาของคนนี้เนี่ย มันกะเป็นสิ่งที่ได้ออหลับมาอย่างนี้เราก็รู้สึกรู้เรื่องตัวเรามากขึ้นเมื่อรู้สึกรู้เรื่องตัวเรามากขึ้นการที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องมาแต่างๆเราก็จะวางใจถูกมากขึ้นได้ปลับมาไม่เข้าไปอินกับเรื่องมาแต่างๆมาเรานั้นตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรกว่าเป็นศรัทธานะเป็นสิ่งที่เราได้รับผลเราได้จะมีศรัทธาในการปฏิบ <icano> ัติธรรมเวลาที่เราอยู่กับความหลงนะอย่างเมื่อก่อนท้า ถ้าโดยตัวของตัวเองที่ทํางานด้านงานออกแบบด้านอะไเมื่อก่อนก็เรียกว่าหลงใน่จินตนาการใช่ไหมแบบรู้สึกว่าพอใจแบบั้นแต่มาในคือเขาเรียกว่านักบริการเป็นแบบทางเขาเรียกว่าหลงในชีิดแล้วก็เขาเรียกว่าชิดอย่างที่ไม่ฐานตั้งใจด้วยนะแต่มาถึงวันนี้เนี่ยเราก็พอก็แล้วก็ยังทํางานแบบเดิมหน้าก็ยังช่วยที่บ้านทาเรื่องคุณโตคุณตีอะไรอ่างตาแบบนี้ก็ยังทำหน้แต่ว่า การที่เราจะเหมือนกับตั้งใจชิดไม่ถูกความชิดที่ไม่ตั้งใจและเข้ามาครอบงานนะตรงนั้นพื้นที่ตรงนั้นเนก็จะเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเด่นชัดมากขึ้นพื้นที่ที่ไม่ตั้งใจคิดก็จะถูกแบบว่าถูกพื้นที่ที่ตั้งใจชิดนี้เขาเ้าไปมีอย่างนั่นนั่นคือตนี้จิตใจที่เป็นปกติคงจะมีมากขึ้นจิตใจที่แปบบใจแหวมาก็น้อยลงนั่นั่นคือตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับเราก็ได้มองเห็นว่าอ้อนี่นะี้ชีวิตเราก็มีธรรมนำมาก ถึงแม้ว่าจะไม่มีความนั้าหน้าตลอดเลยมนาะแต่ว่าไในขณะที่เรามีความนั้นหน้าชีวิตเราเราแบอ่าก็เรียกเป็นปกตินะเป็นปกติไม่มีปุ๊บไม่มีสุขเข้ามาเบียเดเบียนและในเหตงตรงเนี้ยเขาอยากชวนพวกเรานะพวกเราก็ตั้งใจกนะันอยากให้ความตื่นการตื่นโภชันของเราที่หันคอนเกี่ยวกว่ากลับมาจากความชินอย่าง การล้างจากความคิดเนี่ยตัวนี้เป็นการประพของพรหจารย์แล้วเพราะว่าในขณะที่เรากลับมาจากความคิดเนี lake, ่ยความคิดเนี่ยสัเราไม่ได้เพราะว่าไม่งน่ความคิดเนี่ยจะสให้เราทำอรุธรรมนี้แลวและทำอรุธรรมนี้เนี่ยความคิดที่เป็นอกุศลเนี่ยมันทให้ชีวิตมันเนี่ยแตกลงไม่ได้เป็นตัวจารที่สะานะนั่นคือเราก็บอกจิตเราใมันรุวงว่าแต่น้าว่าเราปรพฤตรหจรรเนี่ยจิตเราเนี่ย ก็จะไมพูุ่มายไปกับเป็นความอยากอันนู้นอยากอันนี้นั่นก็คือตรงนี้นะก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้เหมือนกับว่าตั้งใจเอาธรรมะเนี่ยนชีวิตแล้วพวกเราได้จะพบว่าชีวิตของเราจะมีธรรมะนำหน้ามากขึ้นมากขึ้นอุปสมค์ที่นำหน้าเราอยู่ที่เคยมีอยู่เต็นพื้นที่ก็จะตดลงลดลงแล้วก็ตรงนี้ก็ให้อยากให้พวกเราเนี่ยก็ได้สังเกตแล้วพวกเราได้จะมีศรัทธาที่จะปฏิบัติธรรม แล้วก็พวกเราได้จะทําในเรื่อการปฏิบัติธรรมในทางที่ผูกมากขึ้นแล้วก็ตอ น, นี้ละก็จะเป็นสิ่งที่ชีวิตเรา <c oughs> จะไม่ค่อยเดินไปบนเส้นทางมีทางนำหน้าจะเป็นทางญาตารก็ดีจะเป็นอะไรอะไรก็ดีแต่ว่าทที่สุดเนี่ยจุดหมายแล่ยทางก็คือจุด ท, ดที่เป็นจุดที่ไม่ผูกนะเนี่ยแล้วตอนนี้ก็อยากให้การจัดน้องๆที่มา น, านําพวกเราปฏิบัติธรรมกันก็ ได้นำให้ชีวิตของพวกเราเนี่ยมีพลัมากขึนจับมืครับในเนื่อว่าปฏิบัติงานหลาปีอะไรยนี้ ลืมไปมากแต่ความคิดก็มันก็อาจจะยากนะบางที่อาจจะมีการงานมีความมีเหตุสังเกตเกี่ยวข้องเยอะนะให้ลองลืมสติแต่จะได้วิธีหนึ่งเอ้านะเย็นแล้วคั้แล้วตื่นขึ้นมาแต่ทีวิ้ติดก่อนจะทำงนานการกลับมาวิธีนี้ก็ ใครอยากเข้านอะรู้ตัว <c oughs> อันนี้บ า, างครั้งคนก็เป็นเชนนั้นมากที่วิตเาบคังก็เป็นเร็จนั้ น, นแต่พยายามพยายามอาศัยอาศัยการรู้ตัวที่เรียกว่าสภาวะเคลืนไหวเข้ามาเข้ามาแทรกไปไวตั้งแต่ตื่นเป็นหลักแล้วนะเป็นหลัแล้ไหนก็ได้นะเป็นหลก็ได้จิตดีเดินนั่ง น, นอนทำ้ะไรก็สามารถรู้ตัวได้ เนี่ยเาอาคนไข้บาดแทบบ่อยต่อไปการปฏิบัติในรูปแบบก็ดีว่านอกรูปแบบก็ดีเนะมันก็จะเป็นสิ่งที่ ท, ที่ว่าเสมอการทีนนะ่หมดเสมอการในต้องรอมาเข้าาลอดไม่ต้องรอนั่งยกมือไม่ตรองรอจนเจ็บโก้เราต้องปฏิบัติา ท, ทําอยู่อยู่เสมอนะะนี่คือสิ่ง ท, ที่เราพยายามทำแบบนี้ให้ได้นะ หรือบางทีนอกจากการที่เราตามรู้การเคลื um, no. <h ano> ่อนไหวของกายเ่างก็ทำอะไรที่แบบจะเน้นรู้การเคลื่อนไหวของกายรู้การยกมือรู้การเดินหรือบางทีก็รู้การโดยกรรการอยู่ด้วยนะก็คือส่วนใหญ่จะไดรู้การเคนไหวของกายมันมีอีกมีอีกลักษณะหนึ่งที่จะทำให้เราเกิดสติได้ที่นเดยวกันคือการที่เรารู้ทันการณ์ อวัยวนะนัของเรามันม mm ีหกหกอวัยนะอวัยวะใช้ดเหมือนกับประตูนะในห้องนี้มีประตูอยู่สองห้องทางเข้าทางออกแในตัวเรามีมีประตูอยู่หกห้องนะติดตาหูเจมูกดิ้นร่างกายแล้วก็ใจเนี่เรามีประตูอยู่หห้องเป็นส่วนที่เรียกว่าคอยไปรับรู้โลกภายนอกหรือโลกภายนอก เข้ามาสู่สู่ตัวเราเองก็ดีประตูบอกฟ้องเนี่ยเป็นประตูที่เรียกว่าทำให้เรารู้สติก็ได้นะบางทีชีวิตเราเนี่ยบางทีพอตาไปเห็นไปเห็นสิ่ง้องหรือไปเห็นรูปอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีสติใช่ไหยสมมติเกลียดเหมือนใช้ตาอยู่ที่โหนดิ้งกายในไจเห็นเลยแผลนอกใจเยอยู่ที่ภายในเป็นสีน้ำตาล แต่ใจนี่แหละนะมันจะโดนตาหูจมูกดิ้นเนี่ยมักจะด่าไปเมือเมือเดเหมือนใจหมือนมือมือขวาที่มาทำตัวนี้เนาะเมือเนี่ยใจนี่นะเมืตาตาไปเห็นเห็นสิ่งของข้างยาดนี่เห็นเห็นขนมตาเนี่ยใจเราไหลมาที่ตาแล้วตาเี่ยเป็นจอบที่ขนมนะ ใจเราก็ไปเจาะที่ขนมตาไปเลยหรือใจเนี่ยใจเราทุ๊บมามาที่ตาแล้วก็แย่ออกไปข้างนอกเรียบไหมบงทีตาเราจะเห็นคนเฮ้คนนี้คนนี้ดูดีไหลไปดูเขาคนนี้เดูไม่ดีปอใจเราไหลที่ตาแล้วก็ไหลออกไปข้างนอกไปเลยอันนี้เป็นแบบนี้นะบางทีเสียงบางทีพอเราได้ยินเสียงเราก็เลียนเก่งเพลง ที่พ่อพ่อที่เราชอบปุ๊ใจเรามาที่หูแล้วก็หลังเราไปหาเตียเด็ฟันใช่ไหม น, นี่คืออันนี้คือธรรมชาติของของคนทุกวตัวสิเป็นแบบนี้นะมันมันออกมาที่อัเลักษณแล้วก็ออกไปที่ตีนภายนอกทางตาบ้างทางหูบ้างทางในโหมนกบ้าง น, นะเด็กกินข้าวโดยการลิ้นกินกันดนะทางกาย เย็ยนร้อนอนแข็งบนะางคนที่เดินทำร่างตาร้อนร้อนร้อนในตาจะเกลือนใจก็ออกไอมุนติโ ท, โ ท, โ ท, โ ท, โทั่วประเทศไปทั่วทิ้งฟ้าอากาศนะก็คนะือมันจะไหลไปนะตลอดเลยใจร้เนี่ย น, นะมันจะไม่เข้าอยู่กับตัวมันจะไหลออกไปไปช่อหรือว่าไปทังสิ่งภายนอกนะนะอันนี้คือสิ่งที่เราดหลไปสิ่งที่เราไหลไปถ้าเราสังเกตการมีสติวิธีหนึ่งที่จะทําให้เราเกิดสติได้ แม้หาจจะไม่รู้กายเคลอนไหวแต่คือการรู้เท่าทันใจเรานี่แหละที่มาไหลไปเช่นตาเราออกไปดูไปรูขนมเรารู้ทันว่าใจเราใจเรานะอะอกไปอยู่บนงต๊ะนั่นแหละเช่นเหือบางทีหมูได้หิๆๆๆๆนเสียงอะไรสักอย่างเสียงเพลงที่เคาะเรารู้ละเราได้ยินพอได้ยินแล้วเกิดความชอบใจหรือไม่ชอบใจ เรารู้่านว่าใจเราไปอยู่กับสิ่งนั้นแล้วแค่รู้นะว่าใจไปอยู่กับสิ่งนั้นคณะเรียกว่ามีสติแล้วใช่ไหมอันนี้ยแต่ถ้าเราไม่รู้ทันมันจะต่อไปเช่นเสียงนี้เพลงนี้เพาะดีเราชอบใจมันก็ปรุงต่อหรืองคนก็ร้องต่อในใจใช่ไหมอันนี้คือเราไม่รู้ทันหรือบางทีเราสังเกตนะเราดูคนสักคนหนึ่งนะดูคนห น, หน่ีเราก็มอ ง, มอ ง, มองตามไป สุดๆเลยใช่ไหมอันนี้คือสติที่เร า, เาไหลไปการมีสตินะไม่ใช่ว่าเราจะต้องปิดตาปิดหูไม่รับรู้อางอาจจะงาทั้งหๆแต่เราแค่รู้ทันว่าเอ๋อในคิดว่าจะมาเราเนะี่ยมันมีอะไรกระทบมาเรามารู้สึกอย่างไรชอบใจว่าไม่ชอบใจว่าอะไรแบบนี้นนะเราก็มีควาสามารถดุสติเช่นนี้ได้เหมือนกันนอกจากการตามรู้กาย ที่เคลื่อนไหวนะการรู้กายนี่ก็คือได้ในหลายลักษณะเช่นรู้กายที่เคลื่อนรู้กายที่หยุดรู้กายที่เรียกว่าเป็นเวทนาของกายความเจ็บความรวจความหิวความร้อนความหนาวที่เกอดขึ้นกับกายอันนี้คือการรู้กายนะรู้แตหลักะาต่ว่ามันเป็นแต่เรื่องของกายหรือเรื่องของรูกนะเห็นว่ากายก็เป็นส่วนหนึ่งจิตที่มีสติ ที่ดูที่รู้ก็เป็นส่วนหนึ่งอันนี้ถ้าเราดูายอันนี้การรู้เวทนาที่อย่างที่ว่าเออการรู้จิตเนี่ยก็อย่างที่บอกถ้าเราแค่รู้ทันนะว่าใจเราอยู่ที่ไหนใจเรามีรู้สึกอย่างไรใจมันมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นอันนี้ก็คือการรู้จิตรื้ใจก็เป็นการสวดสติได้เช่นในวกันถ้าเราทำเช่นนี้ได้นะการปฏิ บ, บัติทำมันก็จะทํำได้ทุกวันเลยเ อ, อ่ เราแค่สังเกตรู้ทันนะฮรู้สังจิตว่ามันไหลแลนะ้วรู้สันจิตว่ามันชอบคนระับรู้สังจิตว่ามันชามแล้วรู้สันจิตว่ามันมีอารมณ์อะไรเกดขึ้นนะอันนี้เราก็จะเห็นว่าไอ้จิตที่ไหลไปเนี่ยมันก็เราคับไม่ได้นะแต่สติตามรู้ทานได้ แ, แคนนะเเนะ่เนี่ยนะให้มันไหลไปก่อนเราก็รู้ไหลไปก่อนแล้ก็รู้นะบางทีในการปฏิบัติทำบางทีบางคนนะ หลงสองแบบลงคือว่าให้มีจ้องหรือว่าตั้งใจถึนไปเช่นถ้าเราดูมือที่เคลื่อนไหวหรือการเดินในคนบางทีจิตตอนนี้มันไปเกาะอยู่ที่มือจนงทีจิตไปเกาะอยู่ที่เท้าบางคนเคยดูลมหายใจจิตไปเกาะอยู่ที่ลมหายใจคือเป็เกาะไว้เลยเกาะไว้เลยตามไปด้วยนะเหมือนมือขวาเนี่ยกาบมือซ้ายไปไหนีปด้วยตอนนี้นะเมื่อตอนนี้ ขามันก็เดินสบายๆมันก็รู้สึกสบายแต่แน่นอนแหละต่อไปขามอาจจะล้าถ้าขี่ตบกอกอยู่กับขาที่ล้าต่อไปขาก็ปวดเนีงนั้นทําไมพอเราไปเกาะกับขาที่มันเคยสบายเราก็จะสบายพอถราพักขามันปวดก็ธรรมดาแหละใช่ไหมเราต้องการเป็นผู้ปวดไปด้วยเพราะว่าอะไรเราเราเคยขี่ที่กาะกับมันแต่การเป็นผู้ดูเนี่ยอือมันจะสบายรู้ ม, มันสบาย มันจะปวดตื อ, อปวดอันนี้คือการดูปลายนะดูไปสบายสบายในทิ้ไม่เมจ้า อ, นะอันนี้คือการเิ้งจ้องาทายคือไปเกาแนบเสนิเลยแต่การดูจิตก็มีการเพ้งจ้องได้เหมือนกันคือบางทีเราใช้พยายามตั้งจิตหรือตั้งสติบางอย่างเนี่ยคอยเจ้าหรือว่าเมือ่อไรดูจะคิดเออเมือ่อไรมีจะมีอารมณ์ หรือทีเนี่ยอย่างที่มาพูดแบบพยาบาเทียราก็จะเคียดแนี่เด่๋ตาไปเห็นรูปเดวมันจะมีความคิดมีอารมณ์อเกิดขึ้นเราก็จะคอยจ้องมานาทีนอันนี้ก็เรียกาการกินนะคอยจ้องดูว่าเมื่อไรมันเด็คิดก็จะรู้ตัวเร็วเลยค่อยจ้องว่าเมื่อไรมีอารมณเกิดขึ้นเราก็จะรู้มันเร็วเลยอันนี้เป็นการจ้องหน่การจ้องทายก็คือการไปเกาะไว้กับอารมณ์ของกายการจ้องจิตก็คือการที่คอยไปไปดัดดูความคิด ไปดับดตัวอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นะนั้นวิธีที่จะทําให้ถูกนะที่จะไม่จ้องคือว่าอย่างกายก็รู้สบายสบายรู้กับยยใจอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งนะนะใจไปเพีแค่ผู้รู้เมื่อเราดูคนอื่นการดูการนี้พยายามดูเหมือนเมื่อเรารเ ด, ดูผู้อื่นเดินดูผู้อื่นนั่งดูผู้อื่นทำงานนะอันนี้คือเราเป็นผู้ดูเฉยกๆๆารดูจริงก็ ค, คือว่า เมื่อมันมีอารมณ์เกิดขึ้นก่อนเราค่รู้อย่าไปคอยด่าที่รู้ก่อนนะเมื่อมันคิดขึ้นมาก่อนเราค่รู้นะไม่รองไปห้ามมันมันคิดขึ้นมาก่อนเราค่รู้ทันมันมีอารมณ์เกิดขึ้นก่อนเราค่รู้ทันมันหลงไปดูก่อนนะหลงไปรับตัวในฌานก่อนเราค่รู้ทันอันนี้คือสิ่ที่ที่เราสามารถฝึกสติได้นะอันนี้คือถ้าเราทําแบบนี้ได้นะในชีวิตประจำวันเราก็จะเรียกว่ามีสติได้ เพราะว่าทาอยาจะมาทีา้อยากจแนะนำตรงนี้ด้วยเพราะว่าสนใจพวกเราหลายคนเกิดมาหลายปีหรือหลายครั้งแล้วอาก็ผมจะปอยทำนาเรื่องการการดูกายในระดับหนึ่งนะแต่การที่เราจะใช้ในชีวิประจวนไ้มากขึ้นเราสังเกตจิตใจของเราด้วยเวลามีอารมณ์เกิดขึ้นหรือว่ามาไหลไปทางตาทางหูทางหมูกทางลิ้น หรือบางทีไม่ได้เกิดเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมภายนอกไลยนะแต่พูดขึ้นมาจากความคิดเองอบางทีอดีตเมื่อสิ่งีที่แล้วมันต้อพูดขึ้นใหม่บางทีอานาคตก็ออกอใหม่ไม่ต้องมาติดระบกนของเองอันนี้คือหลายปีทางใจเหมือนกันใจที่ไหลไปก็สามารถมีสติรู้ทันได้เหมือนกันอันนี้คือมันจะไหลไปทั้งหกทวารนะเราสามารถมีสติคอยรู้ทันมนได้อันนี้คือ ที่เราสังเกตต้องต้องต้องแยกภายหรือว่าต้องจำนานทั้งสองฝ่ายทั้งการดูกายก็การดูจิตเร่องนี้เนาะถ้าเราทําที่นี้ได้ในชีวิตประจำวันก็จะสมารปฏิบัติทำได้ตลอดพราะเราต้องฝึกกันทั้งสองส่วนนะอย่าไปอย่าไปคิดว่าจะเอาอย่างจะเอาอย่างเดียวไม่ได้หรอนะก็ตติปทานนี่ยมันต้องตัดิงหัวกายวิญญาจิตทำหรือถ้าว่าจะย่อก็คือการกจิตน ถ้าเราแล้วทีนี้จริงเราก็มีการสึกษานี่แหละที่มันเป็นวัตถุหรือว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับการการที่เกิดขึ้นอยู่เสมอนี่เราต้องคอรู้ทันเรารู้ทันการยกมือเลื่อนไหวในนิสโตรก็เป็นแค่ตัวใบดีเเป็นแค่รูปแบบจีเซตนะเนี่ยเป็นรูปแบบเป็นตัวใบก็ทําแล้วก็รู้นะรู้ตัวนี้แล้วก็รู้ ฟอร์มไรไปลงไปตัวฐานอันนี่คือสิ่งที่ที่เราฝึกนะตัวแบ่หลวงพ่อเทียนะเน้นการเสลืนไหวของกายแต่ก็มีอีกที่จะรู้การเคลื่อหนหวของใจด้วยอันนี้คือแต่บางทีมันจะมีความเผลออีกแบบหนึ่งที่หลวงพ่อเทียนก็พยายามจะย้ำเพราะว่าบางทีบางวิธีการปฏิบัตินะหรือว่าบางสถานะอารมณ์อาจมีอาการที่เรเผลอ ไปติด ก, กับตัวสงบอ่ามันจะสงบมันจะสบายหรือบางทีมันก็รู้สึกเฉ ย, ยตๆติดซึมซึมติดชืดๆอ่าไม่ปอดโปงโล่งสบายคล้ายๆซึมซึมไม่รู้ว่ารูอะไร <c ười> แต่ก็ไม่คิดอะไรนะมันก็เป็นแบบนั้นก็มีไม่มีเราไม่มีอารมณ์เลยเลยรู้ก็ไม่มีรู้ก็ไม่มีมมอ่าดีใจเด็ดใจก็ไม่มีแต่ถามว่า มันตื่นตัวไมไม่ตื่นเหมือนคนงงเงี้ยตื่นขนมาเช้าโางเงี้งเี้ยถามว่วงงหมก็ไม่คปอยงงถามว่าสดชื่นไหมก็ไม่ค่อยสดชื่นบางทีจะมีเราพนกนี้นอารมณ์เฉยอะไรนอารมณ์เฉยมันกินเกิดจากเพราะว่าจิตมันคล้ายๆมันโดนตักล่องมากเกินไปมันก็เกิดความซึมถ้ามีธีการเนี่ยเราก็เทียนออกให้ออกมาจากอรมเลย ออกแบบไหนก็คือว่าให้ไปใช้ทำอะไรก็ได้ให้จิตมันมันคิดบ้างนะให้ให้ตามหลที่ดูบ้างแล้วมันจะได้เกิดอารมณ์บ้างนะหรือหมูไม่ได้มีเจียงอะไรบ้างแล้วก็ให้มันมีอารมณ์ได้เกิดขึ้นบ้างแล้สติค่อยตามรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นนะะเพราะการติดเฉยเนี่ยเหมือนกับการแช่หรือว่าการพักนะมันไม่ก้าวหน้า หรือถ้าติดนานาเ น, นี่ยมันทําให้เรียกว่าอิ่งแบบถ้าเราลื้อไปก็มีนะถ้าเราลือ้อเหมือนคล้ายรถติดลมนะติดลงไฟนานๆเ น, นี่ยมันออกยากอันนี้คือถามทีมนะ่มันจะหลงนะมันก็มีอันนี้ก็ควรให้พวกเราฟังในคณะพวกเราที่เข้าไปบาชทำเป็นจำนวนคากควรจะได้รู้ว่าทางที่ถูกทางที่ไม่ถูกมันเป็นแบบไหนแต่ตอนที่เราจะต้องแก้เนี่ยเราต้องแก้ให้เห็นนะ เพราะว่าในแต่ละวันแต่เวลาเนี่อารมณ์นี้มันเกิดขึ้นมาจะร้อนคืออาจารย์แก้ไได้หรอกนะเราต้องรู้ทันแล้วก็ออกมาเร็วๆรู้ทันแล้วก็ออกมาเร็วออกจากภาวะอารมณ์การที่มันแสดงอาการนะอันนี้คือคือสิ่งที่ที่เราต้องสังเกตสังเกตตัวสังเกตตัวว่าเออขณะนี้สติมันรู้อะไรนะมันรู้กายไหมหรือมันรู้ใจไหมมันรู้หรือมันก็ไปอยู่ นะคือม <N> ัน <soundtrack> ร so <ing> <geois> <N> ู้หรือมันเป็นเนะ่ยถ้าสังเกตดูหรือว่าบางอย่างนี๊ทําไมมันซึมเกินไปบางคนนี่คิดว่าปฏิบัติธรรมนี่ต้องฝืนซึมไปก่อนถึงจะดีนะบางคนปฏิบัติต้องบันแค่ไม่ยิ้มเลยนะความแข็งเนืแน่คือมันต้องไม่ดีนะก็ไม่ใช่อืยิ้มได้นะายิ้มได้นะคิดก็คิดได้นะคิดก็รู้มันะ มีอะไรเกขึ้นก็มีได้นะแต่มีแล้วก็รู้ทนันมานี่คือทําใม้ห้ามอะไรต่างๆทำธรร ม, ธรมดาที่สุดนี่แหละดีที่สุดนะแต่ถ้าบางทีบางไปชิมบางอย่างมันทําให้ไหลหรือซุ้มมากจนไปก็ต้องลดเงินมาบ้างเช่งคําคู่สัญจานะบางคนขอพู่ตรแีแรกๆก็เป็นสาระขอคู่สตรีมากขึ้นก็ไหลสาระขึ้นมาแทนที่เนี่ย สมัยผู้จ่ายท่านตระกไว้นะปั่นมาวาจานก็เป็นเป็นหนึ่งในในธรรมะมีองศาอย่างนี้ใช่ไมปั่นมาวาจ่าการพู้จาชอบเป็นอย่างไรเล่าเนี่ยการพูดเพื่อเจอนี่ก็เป็นนี่ว่ามิช้านะมีช้าวาจาอย่างนี้นะอืมนี้ก็คือเราก็แค่ก็นั่งเลิกตัวเนี้ยหรือความคิดตัวเนี้ยคิดในการเรียน คิดในการนะพยาบาทคิดคิดในทางการมรมละคะนี้ก็เปยนนีว่าเป็นวิชานะความความคิดนะพอเราคิดไปโน้นกลับมาคือนะไม่ได้ว่าอ้างว่ามันจะต้องไม่คิดแต่คิดแล้วตรกลับมาได้อันนี้จะถึงอย่างนะคอยสังเกตเลยสังเกตดูตัวกายตัวจใจนะี่แหละสังเกตนะฮะคนใหญ่วันนี้เป็นผู้มีใคร ยัไม่เคยึหมนี่ไม่คุณหน้าอยู่สองคนใช่ไหที่เหลือน่าจะสอยู่สาคนใช่ไหมใช่ใช่ิทเนผู้ชายสคนใช่ไหมสองคนที่เหลือการเป็นเดะปฏิบัติอะเลนะที่เหลือนะเดี๋คนที่ยังไม่ฝึกเดีวมมาก็น้าัแล้ว แนะนำเบาๆเนในตะขวดเพื่อนที่ไทยกดดันอ่ะเพื่อนในแค่ตองเพื่อนแค่ตอง นี้เป็นรูปแบบเ ป, เป็นเทคนิคให้เกิด ค, ความรู้ตัวได้ง่ายขึ้นบางเทคนิคก็เน้นดูลมหายใจว่ามีรบริการบ้างแต่วิเทคนิคตัว น, นี้จะเน้นดูดูกายกายเคลื่อนไหวคือพอเรารู้รู้กายเคลื่อนไหวแบบในท่าทางตัวนี้นะเรอไปจิตแล้วเนี่ยมันจะจําว่าอ๋อการเคลื่อนไหวของกายเนี่ยพอกายเคลื่อนไหวแล้วจิตมันมีสติอันนี้เนี่ยคือกายเคลื่อนไหวแล้วจิตมีสติ ขึ้นไหวท่านี้แล้วจิตมีสติขึ้นไหวท่านี้แล้วจิตมีสติขึ้นไหวท่านี้แล้วจิตมีสติต่อไปมันเคลื่อนไหวเองโดยไม่เป็นท่าทางจิตมันก็จะจมได้ว่าอ๋ออันนี้น่ะคือเกิดสติเกิดสติแล้วนะเกิดสติแล้วเนี่ย น, นี่คือมันจะเกิดออกมาเองแต่แต่ จ, จิตคนเราถึงยังไม่ยึดมันจะเคลื่อนไหวฟรีๆไปแล้วก็มันจะไม่ค่อ ย, อยเกิดสติเพราะาอะไรเพราะเราเคลื่อนไหวไปด้วยเราไปคิดไปด้วยมันเราเดิน เดินไปด้วยเราก็คิดด้วยแต่บางทีแล้วก็อาจจะลูมตัวเดินไปก็คุยคุยแล้วก็เปิดไปอย่างนี้นนก็คือพอเรามาฝึกอย่าง น, นคีคือฝึกแรก้คือฝึกให้จิตมันจําได้ว่าตายมันอยู่นะความรู้สึกตัวคือให้รู้ว่าตัวเนี่ยมันยังอยู่ให้จิตมันคอยรู้ตัวพอตอนนี้พอจิตมันเผิดไปแล้วก็รู้ทันมันว่าจิตมันเผิดไปหรือแค่ไห น, นะคือแค่รู้ว่าปัจจุบันเนะี้ย กายมันเคลื่อนหรือว่าใจมันเคลื่อนรู้ลงที่ปัจจุบันตัวที่รู้เนี่ยไม่ใช่ไปเป็นตัวที่มันเป็นนะั้ะก็คือตัวที่รู้นี่อยู่ต่างหากเหอ น, นเหมือนเราแยกใจออกมาแล้วก็ดูเพราะเนี่ยสมมนิี้คือกายนี่เป็นใจบางทีกายก็เด็นเพราะมันเคลื่อนไว้บางทีใจก็เด็นเพราะมันชิดไปอาตมาก็สังเกตเช่นเคยไม่ได้เข้าไปเป็นด้วยนะนะแต่คนจะ บ, บางทีเช่น เป็นกายมันเจ็บคนนี้ก็เข้าไปเป็นผู้เจ็บไปด้วยหรืว่าคนนี้คิดนี่คิดแล้ทุกข์ก็กายไอ้ใจนี่ก็ค่อยทุกข์ไปด้วยเห็นไหมฮะบางทีคิดสุขก็ค่อยสุขล้านล้าไปด้วยนี่ะก็คือมันทุกคนคนเนี้ยมั น, น, น, ม, น ม, มันไม่เป็นการมันไม่ตั้งมัน่นสติก็คือสติหรือว่าจิตใจมไม่ตั้งมัน่นมันก็จะเข้าไปเป็นกั บ, ก, บกายหรือกับใจเสมอ แต่พอตอนนี้นเราแยกแยกสตินะออกมาอยู่ต่งางหากเป็นเพียงแค่ผู้สังเกตดูดูการต่างหากของกายเมื่อ น, นั้นแหละเราจะพบว่าที่จริงสิ่งที่เกิดขึ้นในโลเนี้ยมันมีแต่เรื่องที่เป็นอาการของกายหรืออาการของใจนะไม่มีคําว่าไม้แท้จริงอนะไอที่เราหลงยึดว่ามันเป็นกายของเราใจของเราเนะี่ยมันเป็นการที่เราไปตัวเพราะจะเห็นว่า กายเนี่ยเดี๋ยวมันก็หิวของมันเองเดี๋ยวมันก็ปวดของมันเองเดี๋ยวมันก็หายของมันเองนะเดีวบาทีแม้แต่อาเจียเนี่ยแล้วระบบการย่ยอาหารมันก็เป็นของมันเองระบบการหายใจก็เป็นของมันเองเราไม่ Ana, ได้ต้องปิดบังคับอะไรเลยใช่ไหมเราบังคับได้ก็แค่ระดับหนึ่งแต่เราก็ไม่สามารถบังคับได้ถึงที่สุดใช่ไหมเราบังคับให้หายใจเข้าแม้อยากไม่ไม่บังคับให้หายใจออก ธรรมชาติามันก็ปล่อยออกมันเองใช่ไหมอันนี้คือเราจะเห็นนะทําได้บนะางทีเนะไม่อยากให้มันปวดทดนะํา ไ, ไดนะ้ไม่อยากให้เป็นโลกก็มันทำไม่ได้ยิงถ้าสังเกตจิตใจจะเห็นเห็นเร็วมากไม่อยากให้มันคิดทําได้นะตอนที่มันคิดแล้วทุกขอ์พอยามสอนมันว่าให้มันไม่ต้องทุกข์ทำไดนะ้ไม่ได้นี่นะ บางทีบางวันอยากจะนอนแบบเราเไม่อยากคิดมากทำได้ไหมไม่ได้คือเรื่องของกายเรื่องของใจเนี่ยเรามเรียนรู้ว่ามันบังคับไม่ได้แต่แต่มันก็สามารถฝึกหัดได้มันต่างกันนะการบังคับมันกับการฝึกหัดเขาให้ให้เขาเรียกว่าให้ประโยชน์หรือให้เขาไม่ให้เขาเชื่อมันก็เหมือนเหมือนม้าเหมือนวงวเาย เราบังคับเขาไม่ได้หรอกแต่เราฝึกให้เขาทํางานไนดะ้อันนี้คือการมาฝึกหัดกายฝึกหัดใจก็คือฝึกหัดเพื่อให้กายและก็ใจเนี้ยมันมันไม่ทุกข์นะนะแต่กายมันยังไงฝึกขันเนี้ยก็ทุกข์นะเพราะมันเป็นทุกของธรรมชาติสําคัญเนะี่แต่เราก็ทําได้แค่บัรเทาแต่ใจเนี่ยสามารถฝึกถึงที่สุดจนต้องไม่ทุกข์ก็ได้อันนี้คือสิ่งที่ที่เราฝึกนะนะอันนี้คือ แต่เบื้องต้นก็เราฝึกหัดในการที่มีสติ ค, คอยแล้วรู้ว่ากายเคลื่อนไหวหรือรมิตริรู้กายปเป็นเบื้องต้นก่อนอแต่ต่อไปก็จะรู้ทันอารมณ์หรือว่าจิตใจของตัวเองเดี๋ยวไป้องทําน่อยเนาะลองทำดูนะครับลองฝึกดวแล้วก็ลองสังเกตดูตัวเองนะสมือวางไว้ที่ข่าวนะวังไว้สบายที่สุดเลยดีนะ เนี่ยารนั้นอยากให้โยมรู้สึกกับรู้สึกว่าเรากำลังนั่งเนี่ยไม่ต้องหลับตาอมองกันสะบายสังเกตไนะเห็นเนนนะีอยู่ตนนัแต่ไม่ต้องไปพูดว่าฉันกำลังนั่งนะแค่รู้สึกเฉยๆว่าเราลังนั่งนะแค่นี้มันรูน้ทั้งตัวนะตัวนี้เปนี่มือขวาต่แคง อันนี้ความเด่นมันมาอยู่ที่การพลิกมือนะมือพลิกลองพลิกมืองายพลิกมือกว้างหร อ, อรู้สึกไหมรู้สึกอยู่แค่มือแต่ว่าก็รู้สึกว่ากายกำลัง น, นั่ง มันจะเด่นกว่าเด่นกว่าแต่ก็แต่ถ้าสมมติลองนะอันนี้ลองมึดลองตั้งใจเลยลองใจอยู่ที่แค่มืออย่างเดียว ใจมันอยู่ที่มือแล้วเป็นยังไงใจมันดูชัดขึ้นนะแต่ใจมันสบายนะไหมนะมันจะบปวดขัดข้อหน่อยสังเกตไหเพราะว่าเราต้องแบบพยายามคอนโทรลให้ใจไม่วอกแบบที่ไหนพยายามจดจอ่ออยู่กับมันนะอันนี้คือสังเกตนะใจแบบนี้นเรียกว่าใจคิดติ้นก้องเราต้องสังเกตตัวเองอ๋อพอมัน มันโฟกัสเดินไปมันบังคับตัวนไปนี่คือการเิ่งครับแต่ครนี้แน่นอนแต่มันมีความชัดกว่าแต่ครนี้มันจะดูแค่มือเป็นะังไมันจะไม่ดูทั้งตัววช่ไอันนี้คือให้จําอาการตัวนี้ไว้นะแต่หลักของเราเจตนาไม่ให้เป็นแบบเจตนาของเราคือให้รูกายสบายสบายไม่ต้องเพ่งจ้องเกินเลยนะดูกายทั้งตัวแต่มันทีมันเด่นที่การ ตัวนั้น่งตะกมือขวาตะแคงรูตัวยกขึ้นให้รู้ตัววางทับมือาหน้าท้องรือตัวอีกนิ้ายตะแคงรู้ตัวยกขึ้นรู้ตัววางทับมือขวามือขวาเลื่อนขึ้นยกข้างขรุตัวตั้งตรงของเขาตั้ง หรือสไายเรื่องพ้นหรือเหยาะออ้งค่าหรือตั้งกับหัวข่าวหรือทำแบงที่ปิดปากไม่ต้องช้ามากเลยตั้งี่ปิดาทำแบบกระชับได้ครับ ที cái bên ng, cái này. Học, ่เราจะรู้ไปครั้งแค่ไนยกออกรู้ครั้งนึงรู้เป็นจังหวะรู้ไะ แล้ก็เดินก็เดินนะ ตา ม, ม, อนะมองไปข้างหน้าสบายๆเนาะใจก็สบายๆอย่าไปแบบถ้ามันเครียดเป็นเกรงนะมันเพงนะ่งแล้วก็ผ่อคนคลายลงนะเงินเงนตรงกลางก็ได้เนาะ you t h e แล้วก็รู้สึกทีละครัง้งอเพื่อนครั้งหนึงรู้ตัวครั้งนึงเพื่อนครั้งหนึ่งรู้ตัวครัง้งหนึ่ง อย่าพยายามเริ่มต้นในการแบบทาแบบนิ่งๆก่อนไม่ต้องนะั่งวางสบายๆธรรมดาเลยเล้วกเรอยอย่าพยายามเริ่มต้นในการนิ่งๆงทำสมันติดธรรมชาติเหนตอนนีให้กายนะกายเคลื่อนไหวใจมีสติคอยรับรู้ กายเคลื่อนไหวใจมีสติคอยรับรู้ต้ตนต้นจะเปุดแยกกายกายนี่เป็นสิที่เคลื่อนใจมันเป็นสิที่คอยรู้กายเคลื่อนใจรับรู้ทำแบบนี้ไปเรื่อยอันนี้ในความคิดอะไรเกิดขึ้นอย่าเพิ่งไปสนใจเขานะ กลับมารู้กายเคลื่อนก่อนนะอันนี้แบบผู้ใหม่เลยนะเดีย๋ยวเพิ่งไปไปเพิ่งจ้อมไปเหรือวไปดูความคิดนะแค่รู้กายเคลื่อนก่อนกายเคลื่อนใจรู้จริงเราก็แค่รู้ว่าใจมันคิดนะแต่ครั้นี้เราไม่สนใจเขาเรากลับมาดูมันจะคิดใหม่มันจะเผลอไปใหม่ก็ไม่เป็นไรก็กลับมารู้ใหม่ไม่เป็นไร ไม่จำเป็นจะต้องไม่คิดไม่ใช่จะคิดแล้วรู้ทันไหลไปแล้วรู้ทัน พี่ใหญ่ เราฝึกในรูปแบบก็จะแบบนี้นแต่ตอนนี้โยมต้องคอยสังเกตดูว่ายกแบบไหนหรือว่าการวางใจแบบไหนมันมันไม่เพ่งหรือเจ้ามันพอดีหรือบางทีอาจจะเพ่งจ้าบ้างแล้วก็กลับมาใหน่หรือบางทีมันใจลอยมันไปคิดเรากลับมาได้ไหมเราอันนี้เราสังเกตมันไม่มันไม่ใช่ว่าจะต้องแบบนิ่งหรือไม่คิดเลยทเดียวแต่ตอนนี้เราตั้งจเราฝึกแบบนี้ไว้ แต่พอมันเผลอไปกลับมาแต่ตัณฑ์แต่การวางใจคือสิที่สำคัญที่สดใจที่ที่แค่มีสติคอยรู้ตัวรู้ากายรู้ไม่เช่ดเป็นเจอ้าอยู่ไหนแต่ต้องวางใจให้ถูกทุกทีที่บอกไม่ใช่ไปพยายามทําใจนั่งซึมๆนิ่งๆนะแต่ใจเนี้ธรรมชาติใจคือคือความเรีย น, นรู้เหมือนคล้ายๆเราจะบอกให้เด็ก เรียบ้อยในการที่เป็นผมเขาเนี่ยเด็กมันจะไม่สนมันจะมันไม่สวนว่าผู้ใหญ่เอาเอ า, าหน้าไปบังคับแต่เราต้องฝึกให้เด็กเขาฉลาดในแบให้เขาเรียนรู้เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นลองคิดบ้างลองฝึกบ้างจิตเราต้องเหมือนกันนะมันจะฉลาดไม่ใช่เกิดจากการที่เขาตื่นเต้นแต่เกิดฉลาดเพราะว่าเขารู้รู้กายรู้ใจเขาสามารถเรียว่ามีสติปัญญารู้ทําอารมณ์ได้นี่คือ เหมือนกับการเราสอนเด็กนี่จิตเรา้เหมือนกันเราสอนอาจากให้เขาสังเกตต่อไปแต่ของกายขใจโดยธรรมชาติคิดไปเรื่อ ง, ในในองเป็นไรมีอารมเกิดขึ้นต้องเนไรเยอะนี่นั่งก็บาทีพลิกมือห้าิกมือป้างการมแปลมาได้หนัปวดไม่ลมาก่อช่ปาะคือ แต่ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเน้นทำสองนวดเราจะไม่ทำพร้อมกันสองมือเพว่าเาจะเน้นทำทีละขั้นอกจากมันเนในในกีฬาประจําวันที่มันต้องทําอะไรพร้อมกันนะก็เป็นเพื่อนแต่ถ้าเป็นการฝึกเราจะเน้นทําทีละอย่างะรือบางทาีการฝึกนทะําไมจริงจริงเขาบางทีมันเคลื่อนแบบเป็ น, นมันต่อเนื่องไปเลยแต่ในการฝึกมันมีอบายนหนึ่งคือให้มีเพื่อนแล้วก็หยุดเพื่อนแล้วก็หยุดเพอะไร มันจะทําให้ความรู้สึกษษษมันเด่นเด่นที่ลักษณะเช่นเพื่อนก็นรู้คํานึงเพื่อนก็นรู้ใจเพื่อนโดยคํานึงแต่ในชีวิตจริงทีมันปลอเพื่อนหยิบนี้แล้วก็มาหยิบนั่นทำนั่นทำนี่บาทีทำให้เราเปิดสติได้ง่ายใช่ไหมพอเราพอหยิบนี้ทําไม่รู้ไปเหยิบนั้นเราก็จะไม่รู้ทิศทางเลยแต่ตอเนี้พอมาเริ่มตัวเนี่ยเรื่อนรู้เรื่อง มีมจังหวะหยุดนิดนึงเป็นตัวช่วยเฉยๆเป่นดูบานแต่ต่อไปตอเนี้ยเพื่อนก็รู้สึกหยุดก็รู้สึกเพื่อนก็รู้สึกหยุดก็รู้สึกเพื่อนก็รู้สึกหยุดก็รู้สึกแต่ไม่ต้องไปพูดว่ารู้สึกไหนท่านหนแค่รู้ก็พอแล้วพอทําแบบเนี้ยจิตเราจะอยู่กับสิ่งที่เราทําคนส่วนใหญ่เนี้ยตัวทํานะแต่ จ, จิตไปยอยู่ไหนรู้ เราเดินจิตเรายังอยู่ที่บ้านเรามีเรื่องเครียดจิตเราก็ไปอยู่กับเรื่องที่เครียดแม่กายกินข้าวอยู่แม้วางทีคุยกับเพื่อนได้ทำใจแต่ไปไปจิตเนะี่ยไปอยู่กับเรื่องที่เราคิดใช่ไหมอันนี้คือจิตเราไม่อยู่กับตัวเฝึกให้จิตมากลับมาอยู่กับตัวนั่นเองการนะขับแนวรูกปการเคลื่อนไหวอันนี้คือวิธีฝึกนะเดินยังคงก็เดินธรรมดา ไม่ต้องเดินจะช้าย่อมย่อมเดินธรรมดาหมืนเพื่อนก็เดินนะแต่แค่อันนี้ก็ก็ให้รู้ลายท้องกายว่ากลังเดินอาจมีการตัวช่วยนะ่ยเก็บมือเก็บมือนิดนึงเดินกลับนะนะเลยพอสม่วนก็กลับตัวอาจจะช้าลงนิดหนึ่งนะช้ากระบอกตินิดหนึง่งอันนก็คือเพราะว่าอะไรแต่คนนี้ไม่ทันกับช้ามากจนตาย เพราว่าเราจะเปิดให้มันกับให้มันใกล้เคียงกับชีวิตจริงของเราอแล้วมันบางทีการทำอะไรช้าเกินไปนม่นมันจะเครียดมันเราเขียนหนังสือถ้าเราแบบตั้งใจบันจงลงไปนะมันจะแรงเอ้เขียนได้ไม่นาหลอกปวดเนื่อยใช่ไหมฮะนั่นมันเันงเกินไปเราทําแต่ถ้าเราเขียนสบายๆเขียนเป็นหน้าเขียนอะไรก็เขียนได้ใช่ไหเราเดินร่หมือกันบางคนเดินแบบ เช้าจะเลี่ยงกันก็เราเดินสบายธรรมดาสบายเดินไปเจ้พักปวดเมื่อยก็กลัมานั่งนั่งไปสักพักปวดเมื่อมากๆก็ลุกไปเดินสลัดบนแน่บ า, างทีนั่งก็อีก็ได้ปวดหลังก็นั่งก็อีกปวดขาเจอที่บ้านก็นั่งเหยียดเท้าก็ได้แต่พยายามทาให้มันต่อเนื่องไปอยู่เลยนี่แบบวดตายที่ยืนเดินนั่งนอน ทำนั่นทำนี่เราทรู้ได้เราต้วก็ปลด mm hmm. ใจมีความคิดใจใเฉยมก็แค่รู้ทำแค่นะั้นรู้ทำอั น, น, อนี้คือสิ่งนทะี่เรื่อสุดลองก็สังเกตว่าวางตาแบบไหนมองแล้วก็ดำแบบไหนพอดีอะไรนั้นบะางทีอาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างไม่เป็นไร mm hmm. ก็แคร่รู้ว่ามันมีชัดหรือไม่ชัดนะ มีในตรงใจมั้ยเราทำเลยนะมันให้โลกนี้เป็นเหมือนถ้าแบบเราเรียนรู้แบบทางโลกมัเหมือนเราเรียนทฤษฎีอันนี้คืออธิบายทฤษฎีแต่ในภาคปฏิบัติมันต้องเอ่ลองเองว่าแบบไหนพอดีมันเอาขัดขี่จักรยานอะไปบอกว่าจับสบายสบายปัดสบายสบายตรงตัวตรงกางสบายสบาย นันก็ฟางได้แต่การที่จะหาจุดของมันเนี่ยมันต้องเป็นทักษะที่เราเอาอออกแบบนี้นะมันพอดีเนีะมันมันเป็นทักษะแบบนั้เหมือนกันเราก็ต้องหาหาหาเดินะนะเราเดินใหม่ๆก็ถือว่านี่ดีถ้าจากนั่งก็นั่งขอก็ก็จะเดินก็เดินเดินต่อแถวกับเพื่อนที่ก็เดินก็ได้